บทที่17ออกงานครั้งแรกลูกชายกำนันตำบลบางขามมาแต่งลูกสาวกำนันตำบลบางม่วงหมูจึงเป็นการแต่งงานที่เอิ ก, กเกริกแล้วก็ยิ่งใหญ่ พอๆพกับงานประจงปีของวัดนั่นเทียวในวัดสองกำนันนั้นต้องการให้ผู้คนกล่าวขานร่ำลือไปไกลถึงเจ็ดคุ้งน้ำและเล่าสืบต่อกันไปชั่วกาลนานถึงความมโหฬารของงานนี้ครูสงใจยกวงมโหรีปีพาสมาบรรเลงตลอดงานและหนุ่มเจริญก็ได้รับความไว้วางใจให้เล่นปีพาธไม้หนวม ทั้งที่เพิ่งจะออกงานเป็นครั้งแรกไม่ต้องประมานะพ่อหนุม่มบรนเลงให้สุดฝีมือเลยครูรู้ว่าเธอต้องทำได้วนหน้าวงให้กำลังใจนักปีพาดมือใหม่ครับผมจะทำให้ดีที่สุดตอนไหว้ครูผมก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ไปได้ตลอดรอดฟังหนุ่มน้อยว่ากึ่งประมา กึ่งมั่นใจอย่าไปเกรงนะปล่อยไปตามสบายผิดนิดหน่อยคงไม่มีใครรู้เพราะเธอไม่ได้เล่นคนเดียวคนอื่นเข้ามือเก่าทั้งนั้นยังไงยังไงก็ไม่ลมเธออาจจะขัดเคินบ้างเพราะเป็นงานแรกแต่ขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้างานนี้เธอเล่นได้ดีก็จะมีงานที่สองที่สามตามมาครับ ผมรับรองว่าจะไม่ให้เป็นงานแรกและงานสุดท้ายของผมเขาให้สัญญาแม้ไม่มั่นใจนะักตอนเย็นของวันศุกร์ดิบก่อนที่ประสงค์จะเจริญพระพุทธมนต์วงดนตรีของครูสมใจก็เริ่มบรรเลงเพลงโหมโรงมหาเริกสามชั้น นายเจริญจรุยรัตเล่นได้ดีกว่าที่คาดคิดเอาไว้จนผู้คนผู้มาจากถิ่นทั้งใกล้และไกลพากันกระซิบกระซาบกล่าวขวัญถึงหนุ่มน้อยหน้ามนคนทําปีพาดไม้นวมพวกสาวแก่แม่ไม้ต่างชะม้อยชะไม้ชายตาด้วยติดใจท่วงท่าสง่างามของพ่อหนุ่มยามบรรเลงเพลงกระทั่งเพลงจบลง และพระเริ่มสวดก็ยังคุยกันไม่เลิกเจ้าภาพต้องมาขอร้องให้เงียบจึงได้หยุดคุยกันและหันมาฟังพระสวดแทนกระนั้นก็ยังส่งสายตาไปทางคนที่ทำปีกพาดไม้นวมที่นั่งพับเพียประนมมือฟังพระอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อเรียกร้องศรัทธาจากแขกเกลือพระสงฆ์ก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์เย็นจบลงเมื่อเวลา19นาิกา ดนตรีไทยบรรเลงเพลงตับวิวาพระสมุดจากนั้นจึงพักอาบน้าและรับประทานอาหารมื้อขําเมื่อนักดนตรีอาบน้ํารับประทานอาหารเสร็จก็เริ่มบรรเลงต่อคราวนี้มีนั ก, กร้องด้วยพวกแม่ครัวจึงทำอาหารด้วยความเพลิดเพลินเพราะมีเพลงกล่อมแตะเกียงเจ้าพายุดวงหนึ่งดับวูบลงเพราะลมหมด กำนันแพร่ผู้เป็นเจ้าของบ้านจึงเรียกหาผู้ใหญ่ชำช่วยไปตามผู้ใหญ่ชำมาช่วยจุดตะเกียงหน่อยลูกบ้านคนหนึ่งจึงเดินไปตามผู้ใหญ่ชำถึงบ้านของแกผู้ใหญ่ช่วยไปดูตะเกียงเจ้าพยุต์ที่บ้านงานหน่อยดูทำไมละ่ะก็ขาดจุดให้หมดทุกดวงแล้วเพ่งกลับมาถึงบ้านนี้แหละ ยังไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยแกชี้เสื้อผ้าที่สวมอยู่กางเกงแพรสีเขียวหัวเป็ดกับเสื้อคอกรงพื้นเขียวดอกแดงมันดับไปดวงหนึ่งกำนันให้ผมมาตามลูกบ้านว่าได้ยินดังนั้นผู้ใหญ่ฉ่ำแซนจะดีใจที่คนเป็นกำนันเห็นความสำคัญของตน จึงพูดกับคนมาตามว่าแล้วก็ไม่บอกเสตตั้งแต่แรกว่ากำนันให้มาตามถ้าเช่นนั้นก็ไปกันเดี๋ยวนี้เลยข่าวว่าจะมาอาบน้าก่อนแล้วค่อยไปอีกก็พอดีแกมาตามคนเป็นผู้ใหญ่บ้านถือโอกาสพูดเอาความดีความชอบที่จริงแกตั้งใจว่าจะอาบน้าเสร็จก็จะเข้านอนจะไปอีกก็ต่อเลี้ยงพระพรุ่งนี้เช้า เมื่อไปถึงผู้ใหญ่ชำจัดการปลดตะเกียงใบนั้นลงมาจากตะขอเหล็กที่ใช้แขวนแล้วก็ตรวจตราหาสาเหตุสงสัยลมหมดแกสันนิษฐานว่าแล้วจึงจัดการสูบลมเข้าอย่างตั้งอกตั้งใจขณะสูบลมต้องขะแมวท้องเมื่อขะแมวมากๆเข้ากังเกงแพลสีเขียวหัวเป็ดก็หลุดแล้วก็ร่วงลมองมากรอยู่ที่เทา้า โดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกแสงสว่างจากตะเกียงดวงอื่นทำให้ทุกคนในที่นั่นพากันหัวเราะคลืนภาพที่ชายอ้วนพุงพรุย้ยปะแป้งหน้าขาวพร้อยยืนสูบลมตะเกียงเยงเยงกระทั่งกางเกงหลุดลงไปกองก็ยังไม่รู้ตัวแทนกางเกงไหนก็ไม่ได้นุ่งจ้างเป็นภาพที่แสนจะ อ, อุจจารในตา พวกผู้หญิงทั้งหัวเราะทั้งยกมือขึ้นปิดหน้าหากก็กลางนิ้วให้มองลอดออกมาได้พวกผู้ชายเห็นเป็นเรื่องขำจะหาคนเมตตาช่วยบอกให้แกรู้ตัวก็ไม่มีผู้ใหญ่ชำไม่รู้ว่าเข้าหัวเราะ อ, อะไรกันรู้สึกเย็นวับวบที่ก้นหากก็ไม่สนใจคงตั้งหน้าตั้งตาสูบลมเข้าตะเกียงอย่างขมักขม่น และโดยที่ไม่ได้มีผู้ใดคาดคิดหนุ่มน้อยคนทำปีพาดก็โดดพึ้งไปถึงตัวผู้ใหญ่บ้านใช้ไม้ตีปีพาดเคาะเอาัยวะที่ห้อยตรงเตงอยู่ต ร, ง ก, รงกลางลำตัวของแกคนถูกเคาะสะดุ้งโยงพอรู้ตัวเองอยู่ในสภาพเช่นไรจึงก้มลงหยิบกางเกงขึ้นมาถือในลักษณะหิ้วขอบมันไว้ แกโกรธหัวฟัดหัวเวียงแถมอับอายขายหน้าประชาชีจจงชี้หน้าด่าพ่อหนุ่มคนนั้นอย่างสาเสียเทเสียแล้วก็เดินก้มหน้างดุดลงเรือนไปคิดว่าเป็นตายยังไงก็จะไม่ขอมาเหยียบบ้านนี้อีกพ่อหนุ่มใครสั่งใครสอนให้เองทำอย่างนั้นกำนันแพรวถามเมื่อหยุดหัวเราะแล้วไม่มีใครสอนหรอกครับ ผมนึกได้เดี๋ยวนั้นก็เลยทำเดี๋ยวนั้นมันรู้สึกเคลิ่มเคริ้มไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปสงสัยจะถูกผีเข้าเจ้าสิงเขาเตรียมโยนความผิดไปให้ผีกับเจ้าผู้ซึ่งไม่รู้อีโนอีเนอะไรด้วยแต่ตอนที่แกด่านะแกด่าเองชัดๆไม่ได้ด่าผีด่าเจ้านะครับแล้วก็ไม่ได้ด่า ผมคนเดียวซสด้วยพ่อผมแม่ผมปู่ย่าตายายถูกแกด่าหมดเลยสวยจริงๆครูสมใจกำลังรอดูเหตุการณ์ไม่รู้ว่ากำนันจะโกรธ ถ, ถึงกับเลิกจ้างเลยหรือเปล่าก็พอดีกับกำนันสั่งว่าเอาละดนตรีเล่นตอ่ออย่าไปถือสาผู้ใหญ่ช้ำแกเลยประเดี๋ยวแกก็หายโกรธก็คงมาอีกและตะเกียงใบนี้จะทำยังไงดีละ่ะ ผมจะลองดูให้นะครับหนุ่มน้อยขันอาสานึกซึว่าเป็นการไถ่โทษให้ตัวเองเขาจัดการสูบลมเข้าตะเกียงเจ้าพยายุใบนั้นและสังเกตว่ามีลมออกมาเสียงดังฟี่ฟี่ตรงปุ่มอีกด้านหนึ่งจึงไขเกลียวปุ่มนั้นจนแน่นให้ลมออกไม่ได้แล้วจึงลองสูบดูใหม่อย่าสูบเพลินซะจนกางเกงหลุดอีกละ่ะ กำนันเตือนยิ้มยิ้มหนุ่มน้อยจึงลองขยับกางเกงรัดเข็มขัดให้แน่นเข้าอีกแล้วจึงลงมือสูบเป็นอันว่าเขาสามารถจุดตะเกียงเจ้าพายุใบนั้นได้สำเร็จเอาล่ะทีนี้ก็ไปทำปีกา้ต่อได้แล้วสองยามค่อยเลิกนะหรือจะว่าจะเปรียญกันโตรุ่งกอตามใจคงไม่ไหวหรอกครับกำนันครูสงใจว่า ยังไงยังไงก็ขอนอนเอาแรงสักสองสามชั่วโมงพรุ่งนี้ต้องบรรเลงกันตั้งแต่เช้าไปจนบ่ายถ้าไม่ได้นอนเดี๋ยวเกิดเป็นลมเป็นแรงก็จะเสียงานเปล่ า, ลาถ้าเช่นนั้นก็ตามใจอ้าวพ่อนุ่มเข้าประจำที่ได้แล้วกำนันแผ้วสั่งนุ่มน้อยจึงคว้าไม้ตีปิดผ้าที่วางไว้ตอนทำตะเกียง และก็เดินเข้าไปประจำที่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครูสมใจร้องเสียงหลงเมืม่อเห็นกำลังจะเล่นหนุ่มน้อยยกไม้ค้างถามว่ามีอะไรเหรอครับครูครไม้นั่นไม้ที่เอ็งเอาไปเคาะผู้ใหญ่นะ่ะโยนทิ้งไปอย่าให้ถูกปีพาทครูเป็นอันขาดสวยตายเลย แล้วผมจะเอาไม้ที่ไหนตีล่ะครับเอาเธอเอาเถอเธอเอาอันนั้นไปคว้างทิ้งแม่น้ำก่อนแล้วครูจะหยิบอันหใหม่ให้โชคดีนะที่มีสำรองมาหนุ่มน้อยจึงลุกขึ้นเดินไปที่นอกฌานคว้างไม้นั้นไปสุดแรงมันลอยไปตกลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเสียงดังจ้องแล้วจึงเดินกลับมานั่งประจำที่ วงนดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงตับพระลอครั้นถึงเวลาสองยามคนเล่นคนร้องต่างพากันหาวอดวอดครูสมใจจึงสั่งว่าเอาละเก็บเครื่องเตรียมตัวนอนกันได้แล้วพวกผู้หญิงนอนข้างในผู้ชายนอนข้างนอกอย่าให้ปะปนกันทำไมถึงต้องให้ผู้หญิงนอนข้างในด้วยนะ หนุ่มน้อยสงสัยหากก็ไม่กล้าถามวันนี้เขาสร้างวีรกรรมไว้พอแล้วขืนพูดเขินถามมากไปอาจถูกครูสนใจไล่ออกจากวงก็เป็นได้อย่างไรเสียเขาก็ต้องการให้มีงานที่สองที่สามตามมาทางที่ดีจึงต้องเก็บความสงสัยไว้ก่อน ผู้คนทยอยกันเข้านอนหมดแล้วรวมทั้งพวกแม่ครัวผู้ซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมอาหารไว้เลี้ยงพระและแขกเรือในวันรุ่งขึ้นหนุ่มน้อยหาที่นอนได้ตรงใกล้ๆนอกฌานแม้จะง่วงแสนง่วงหากก็มิอาจหลับลงได้เพราะพอจะเคลิมเคลิมก็มีคนเดินผ่านไปทางปลายนอกฌานประเดี๋ยวหนึ่งก็เดินกลับ ไปเข้าห้องตัวเขาเป็นคนนอนวัยจึงสะดุ้งทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านรู้สึกกำคาเหลือเกินแล้วนี่จะเดินไปเดินมากันจนถึงย่ำรุ่งเลยมั้งหนุ่มน้อยออกฉุนฉุนอยากรู้นักว่าเดินไปไหนกันเขาพลิกตัวในท่านอนควา่าครั้นมีคนเดินผ่านจึงพงกศีสษะขึ้นดู คนที่เดินผ่านไปทางปลายนอกฌานเลี้ยวซ้ายแลขวาแล้วจึงปลดผ้าจงกระเบนลงนั่งถ่ายเบาตรงร่องที่ไม้กระดานวางห่างกันประมาณหนึ่งคืบเบาเสร็จก็จัดการนุ่งจงกระเบนเรียบร้อยแล้วจึงเดินกลับเข้าไปในห้องอ๋อมาเบากันดีละเราจะต้องแก้แค้นหนุ่มน้อยหมายมั่น คลันเห็นปลอดคนจึงค่อยๆคลานไปทางห้องข้างในที่พวกผู้หญิงขอนอนกันจะไปดูซิว่าทำไมครูสมใจแกจึงให้ผู้หญิงนอนข้างในผู้ชายให้นอนข้างนอกแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เห็นภาพภายในห้องค่อนข้างชัดเจนพวกผู้หญิงนอนน่าเกลียดเหลือเกิน ทาง้าทางแข้งผ้าผ่อนท่อนสบายหลุดลุย่ยบ้างก็นอนอ้าปากวอน้ำลายไหลออกมาบ้างก็นอนขาก่ายกันบ้างก็นอนกอดกันบ้างก็ส่งเสียงกลนดังกับเรือไอบ้างนอนละเมอเพอ้อพกพูดอะไรออกมาฟังไม่ได้สับเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความสังเวชใจแก่ผู้พบเห็น อ๋ออย่างนี้นี่เองครูสมใจถึงให้พวกผู้หญิงนอนข้างในเพราะพวกร่อนนอนน่าเกลียดเหลือเกินหนุ่มน้อยคิดท่านใดนั้นคนที่นอนถัดจากที่เข้านั่งก็ลุกเดินออกมาเขาจึงจำต้องนอนราบลงไปใกล้ๆคนหนึ่งเพื่อไม่ให้หล่อนรู้ว่ามีผู้ชายแปลกปลอมเข้ามา อีกคนหนึ่งกำลังหลับพลิกมาทางเขาเอื้อมมือดึงเขาเข้าไปกอดหนุ่มน้อยนอนตัวแข็งตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะมีผู้หญิงมาถูกเนื้อต้องตัวเป็นครั้งแรกเขารู้สึกอึดอัดและรำคาญอย่างบอกไม่ถูกกอดเขาและยังไม่พอแม่คุณยังหอมแก้มเขาอีกหนึ่งฟอดมือ ความสเปะสปะมาที่หน้าอกเขานุ่มเจริญตกใจเสียนักเขารีบพลิกตัวหันหลังให้หล่อนมือทั้งสองกอดอกแน่นไม่ให้หล่อนคลำมาถูกบริเวณ น, นั้นหล่อนจะรู้ไม่ได้ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงหากความแตกคราวนี้ครูสมใจคงไม่ยกโทษให้เขาเป็นแน่น่าส้มลิ้ม ให้ข้าจับถันหน่อยเสียงผู้หญิงคนนั้นว่ามือของหล่อนพยายามล้วงมาที่หน้าอกของเขาย่าหน้าสมลิ้มจะนอนเขาแกล้งดัดเสียงเป็นผู้หญิงเองรังเกยียจข้าหรือไรนึกว่าข้าไม่รู้ใช่ไหมแหมทำชะม้ายชายตาให้อนุมคนตีปีพาด คงนึกรักมันเข้าแล้วกระมังลองดูสิถ้าเองนอกใจข้าเองต้องตายได้ยินดังนั้นส้มลิ้มตัวปลอมถึงกับขนลุกสู้พวกผู้หญิงนี่มีอะไรพิรึกพิรึกกันอย่างนี้เองหนาหนุ่มน้อยคิดพอดีกับคนที่ลุกออกไปเบาเดินกลับเข้ามาผู้หญิงคนนั้นจึงต้องเงียบเสียงลง หนุ่มน้อยนอนตัวแข็งกระทั่งหลับไปในที่สุดมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งก็ตอนได้ยินเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาสี่นาฬิกาพวกแม่ครัวพากันตื่นเพื่อจะไปหุงหาอาหารหนุ่มจเจริญชิงลุกออกมาก่อนเขาคิดแก้แค้นพวกแม่ครัวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนดังนั้นจึงลงจากเรือนเดินตรงไปยังต้นตาล แสงนวลกระจ่างของพระจันทร์ช่วยสองทางโดยไม่ต้องพึ่งคบได้เขาจัดการลากกิ่งตาลแห้งมาสองกิ่งนำมาวางไว้ใต้ถุนเรือนที่ตรงกับนอกชานเวลาพวกแม่ครัวลุกออกมาถ่ายเบาจะได้ถ่ายรถมาถูกไปตาลแห้งเสียงดังแช่แชเท่านี้ก็ได้แกล้งแม่ครัวแล้ว วางใบตาลเสร็จเขาก็รีบออกมาจากใต้ถุนด้วยรู้สึกเสียวๆกลัวว่าจะถูกพวกผู้หญิงถ่ายเบาลงลดศีษะจากนั้นจึงขึ้นเรือนมานอนตรงข้างนอกฌานเพื่อรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ครัวคนหนึ่งลุกเดินออกไปที่นอกฌานแล้วนั่งลงเบาตรงร่องเสียงดังแช่ได้ยินไปทั่วทำให้หล่อนโกรธนะักโกรธนะ้า ก็เมื่อคืนหลอนลุกมาเบาตั้งสองครั้งยังไม่มีเสียงนึกแช่งชักหักกระดูกเจ้าคนที่แกลง้งได้แก่แค้นพวกแม่ครัวสมใจแล้วหนุ่มเจริญก็ลงไปอาบน้ำดำผุดดำวหว้อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ยังไม่ตีห้ากระทั่งฟ้าสางจึงขึ้นจากแม่น้ำมาแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมทำหน้าที่ ได้ยินเสียงแม่ครัวคุยกันออกเซิงแซ่คนหนึ่งพูดว่าไม่รู้ไอหมาตัวไหนมันเอาใบตานแห้งมารองไว้ตรงร่องเยี่ยวสงสัยว่าพ่อแม่มันคงไม่ได้สั่งสอนถึงว่าสิข้าก็ว่าเมื่อคืนยังไม่มีแต่ทําไมตอนเช้ามืดมันถึงได้มีแสดงว่ามันต้องเอามาไว้ตอนเช้ามืดนั่นแหละแม่ครัวอีกคนว่า สงสัยจะเป็นไอ้พวกโรคจิตที่ชอบเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันคงไม่อบรมสั่งสอนกันมาหนุ่มน้อยได้ยินแล้วรู้สึกเสียใจเสียใจที่ทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องปลอยถูกด่าถึงสองครั้งสองคราทั้งในเวลากลางคืนและตอนเช้าตรู่